คือเป็นแสเนะของพวกเราทั้งหลายเรื่อยมาคือเป็นแสเนะของชาวพุทธมาจงทั่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่ผู้ลืมเื้อลืมตัวไม่ใช่ผู้ลือเฟือ ไม่ใช่ผู้ฟุงเฟอเหือเหอิมพื้นฐานของท่านมักจะเป็นอยู่ด้วยความฝืดเครืองตามสายตาของโลกแต่เป็นความส ม, สมบูรณ์และความพอดิบพอดีสำหรับธรรน เราจะเห็นได้จากการนำเนินของท่านเป็นท่านสั่งสอนสาวกให้ไปอยู่สถานที่ท่านทรงสั่งสอนให้ไปอยู่เหล่านั้นไม่ใช่สถานที่เหลือเฟือผ่้เฟือยไม่ใช่สถานที่ให้เกิด การลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อหื่อเหื่แต่เป็นสถานที่กลงกันข้ามทั้งนั้นลพระสาวกที่ออกมาจากพระพุทธเจ้าก็ชาติชั้นวั น, นะต่างกันพระพุทธเจ้าเองเราก็ทราบแล้วว่าพราะองค์เป็นกษัตริย์พระสาวกที่เป็นกษัตริย์ก็มี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 คำว่ามากน้อยจะมีมากเท่าไรก็ยินดีแต่น้อยเท่านั้นสันโดดรองลงมาก็ยินดีเฉพาะสิ่งที่เกิดที่มีไม่เสาะไม่สแสวงไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีชอบวิเวกส ง, งัด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 ที่จะให้เกิดความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายเพราะป่าเขานั้นเต็มไปได้วยสิ่งที่น่ากลัวสัตว์ร้ายต่างๆนี้ชอบมีอยู่ในป่าในเขาเช่นนั้นเสียงกระเสียงนกเสียงกายิ่งกว่านั้นกัเสียงสัตว์ ร, ร้ายผู้มุ่งทำดูแล้วเสียงสัตว์ ร, ร้ายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาได้ เ ส, เสียงเสือร้องครางหรือกระหึเสียงสัตว์เสียงสัตว์ที่เป็นไัยก็กลายมาเป็นธรรมได้ด้วยการพินิษ์พิจารณาโดยความเป็นธรรมมีสติปัญญาไก่กรองเสียงทั้งหลายนั้นให้เกิดโอชารดขึ้นมาภ า, ายในจิตใจ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 สิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเลยกลายเป็นธรรมไปหมดเพราะจิตใจมุ่งต่ออดต่อธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทางดำเนินของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นศาสดาก็ทรงดำเนินเช่นเดียวกับที่ทรงสั่งสอนสาวกให้ปฏิบัติตามการเสด็จออกไม่ใช่เสด็จออกสู่บ้านนั้นเมืองนี้ เพื่อความรื่นเริงบันถึงเพื่อความสนุกสนานสบายแต่เสด็จออกเพื่อความเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งจะต้องได้ฟันฝ่าความทุกข์ความทรมานทั้งหลายซึ่งเคยได้รับความสุขมาแต่ก่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดว่าแทบทั้งนั้นความเป็นอยู่ของกษัตริย์ อยู่ในป่าในเขาหาขอทานเข้ามาสวยอย่างนั้นกลับในราชาวังของพระองค์ผิดกันอย่างไรเพื่องนุ่งห่มใช้สอยที่อยู่ที่อาศัยเป็นสภาพของคุณนาถาทาั้งนั้นไม่เป็นถ้าไม่เป็นการทรมานพระองค์ให้รับความลำบาก จะเป็นการทำความสะดวกสบายให้แก่กพระกายได้อย่างไรแต่สำคัญที่พระไทยของพระพุทธทเจ้าทรงมุ่งมั่นต่อทำอย่างแรงกล้ายิ่งทุกข์ขนาดไหนก็สู้เพื่ออเพื่อทำโดยไทยเดียวจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาในพระประวัติก็แสดงไว้แล้วว่าหกปี การ ถ, กถูกทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงหกปีนั้นไม่ได้เป็นทุกข์ทรมานอย่างธรรมดาวเหมือนนักโทษในเรือนจําที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี้นี่ข้าวก็ได้กินที่อยู่ที่หลับที่นอนถึงแม้ล่าเวลาก็ได้หลับได้นอนสะดวกสบายน่้จะไม่มีอิสระในตัวแต่ก็ไม่ได้รับความลําบาก เหมือนพระพุทธเจ้าที่สเสด็จออกทรงปรหนวดและบําเพ็ญอยู่ในป่าดังที่มีในธรรมลานั้นนั่นเป็นเรื่องทุกเรื่องลำบากอยู่ตลอดอิยาบททั้งสี่ภายในพระไทยก็ต่อสู้กับข้าศึกซึ่งเป็นภยัยซึ่งมีอยู่ภายในพระจิตนั้นจะมีเวลาละสะดวกสบายที่ตรงไหน นี่ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าการต่อสู้กับฝ่ายต่ำเพื่อทำฝ่ายสูงและเพื่อความหลุดพ้นอันเป็นความประเสริฐหรือทำประเสริฐนั้นย่งมต้องได้ฟันฝ่ากับสิ่งชั่วช้าละมกซึ่งกีดขวางหรือหุ้มห่อห้อมล้อมอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจ อย่างเต็มที่เต็มฐานควรอยู่ก็อยู่ควรตายก็ต้องตายดังพระองค์สรุสามหนนั่นถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายดูนี่นะพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของพวกเราท่านสบายไหมคนสลบสบายที่ไหนไม่ฟื้นก็ตายคือว่าความทุกข์ความลำบากถึงขั้นสลบ แล้วทรงได้รับความทุกข์ทรมานอยู่นั้นถึงหกปีนักโทษในเรือนจำสู้ไม่ได้เรื่องความทุกข์ก่อนที่จะตรัสรู้นี่ล่ละความเป็นมาของศาสดาที่วัาพุทธทังสนังกชามีของพวกเราให้ยึดไว้เป็นหลักใจทางเดินเพื่อผ่านพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเดินอย่างนี้ ไม่ใช่เดินด้วยความสะดวกสบายกลัวแต่ความทุกข์ความลำบาก ท, ที่จะมา ถ, ถูกต้องร่างกายแต่ไม่ได้กลัวทุกข์ที่บีบคั้นภาจิตใจอยู่ตลอดเวลานับกับนับกันไม่ท่วนได้เลยก็เป็นความเห็นความรู้ความเข้าใจที่สวนทาง หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นสิ่งที่สวนทางกันร้อยเปอร์เซนกับธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่กิเลส จ, จะเป็นอะไรไปกิเลสพาผู้ใดให้ดีพาผู้ใดให้รับความสุขความสบายคนมีกิเลสหนาน า, น า, นาเป็นคนเลิศโลกมีไหมเราเคยเห็นไหมนอกจาก คนที่สลัดปัดทิ้งกิเลสออกโดยสิ้นเชิงด้วยการต่อสู้โดยเอาชีวิตเข้าแลกแล้วได้ชัยชนะหลุดพ้นไปได้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐดังพระพุทธเจ้าของเราประเสริฐด้วยการต่อสู้พระเกิดประเสริฐด้วยการชนะกิเลสให้หมอกราภายในป่าไถ ทาโมปีโปได้ก็จะแจ้งขึ้นภา ย, ภายในพระกิจของพระองค์เป็นศาสดาขึ้นมาในขณะที่กิเลสหมอบปราบลงไปหมดไม่มีเหลือตราบใดที่กิเลสยังอยู่บนหัวหัวใจหรืออยู่ในพระทัยของพระโพธิเจ้าของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้เปล่งพระวาจาออกมาว่าเป็นศาสดราดังที่กล่าวไว้แล้วใน ธรรมจักรข <ugh> ับโพธิสุขมาสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้แต่ก่อนเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเป็ น, น เ, รเราก็ไม่กล้าพูดว่าเรารู้เราเห็นเราเป็นแต่บัด น, นี้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วเราจึงกล้าพูดว่าเราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้ละได้ชนะแล้วกับกิเลสทั้งหลายได้หลุดพ้นแล้วโดยสิน้นเชิงนะนี่เราย่อเอาคำในธรรมจักรขับโพธิสุข มาแสดงเอาเฉพาะใจความผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ยืดเอาไม่ได้แปลไปตามสัพตามบาลีทุกบทุทบทัสแต่เอาเนื้อความซึ่งเป็นความจริงจากบาลีนั่นทีเดียวมาแสดงนี่ละทางเดินของพระพุทธเจ้าผู้เป็นส้านางขาฉามของพวกเราท่านีสาวกทั้งหลายก็เดินแบบลูกศิษย์มีครู ไม่ลืมศาดสดาเดินตามรอยพระบาทไปดูลำดับลำดาพระองค์พาทกุก็ทุกป่าลำบากก็ลำบากสอนว่าอย่างไรดําเนินตามนั้นไม่เห็นสิ่งใดที่เลิศประเสริญยิ่งกว่าศาสนาธรรมที่ประธานให้แล้วแต่ย า, ยากลําบากขนาดไหนก็ดําเนินตามนั้นอันนี้ปฏิปทาของผู้บํารุงธรรมของผู้รักษาธรรม ผู้ขุดค้นทำให้เกิดขึ้นต้องเป็นปฏิบัติทาที่โอดอยากขาดแคลนเป็นปฏิบัติทาที่ยอมรับในเรื่องความทุกข์ในการต่อสู้ทั้งหลายความไม่ยอมรับในความทุกข์ความลำบากบ้างเลยแต่จะเอาความพิเศษเลิ่โลกขึ้นมานั้นนั้นไม่มีทางนอกจากถูกกรอกจากกิเลสซึ่งเป็นตัวเรือสาโดยเศกสารปัญยอนกนเองหรือ หลอกลวงสารโลกว่าจะดีจะประสรเท่านั้นด้วยเห็นนี้ผู้ปฏิบัติแม้สมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ปรากฏชื่อหรือนามลังเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาลวยมาเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์เสาวท่านอาจารย์มั่นหรือหลวงปู่ขาวเหล่านี้เป็นต้นปฏิปัทาของท่านเชียบขาด สมกับว่าพุทธังธรรมังสนังกระฉามิอยู่ในหัวใจท่านอย่างแท้จริงดำเนินทุกแง่ทุกมุมเป็นแบบเป็นฉบับเป็นสิ่งที่กิเลสขยักขยแยงเป็นสิ่งที่เจเลสเหมอบราบไปโดยลำดับลำดาไม่เป็นปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะย่อเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่นี่มันเป็นปฏิปทาที่ กิเลสทั้งหลายหัวเราะนะอย่าเข้าใจว่าเร่งครับอยากเข้าใจว่าตนปฏิบัติดีกิเลสจะหมอกราบนอกจากกิเลสหัวเราะเท่านั้นพยายามทำใจให้เหนือกิเลสเราจะทราบเรื่องแง่งอนและกลยายาของกิเลสว่ามันแหลมคมขนาดไหนจะทราบไปด้วยลดับถ้าปฏิปทาที่กิเลสตกแต่งให้แล้ว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 เห็นไหมไม่ทราบว่าวกิเลสมันสวมรอยเข้าไปโดยลําดับลําดาทุกระยะทุกก้าวทุกความเคลื่อนไหวของเรานี่สิมันจึงได้แต่รางบัลของกิเลสนอนจมอยู่ในกิเลสตลอดเวลาหาทางฟื้นทางตื่นตัวไม่ได้เพราะปฏิปทานี้เป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สิเพราะเรียนวิชาไม่ทันมันกลมายาไม่ทันมันหลักวิชาเรามีสติปัญญาเป็นต้นไม่ทันกลมายาของกิเลส แล้วจะไปรู้ความแหลมคมของกิเลสจะหลบหลีกปีกตัวและต่อสู้กิเลสให้พ่ายแพ้หรือให้หมอบลาาไปได้อย่างไรนี่ควรนำไปชิดให้มากนักปฏิบัติปฏิบัติทาที่ดำเนินอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันจะไม่ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่อง ปฏิบัติของหมูขึ้นเขียงก็คือเหลือเฟือไม่ว่าการอยู่การกินการใายการสอยการหลับการน่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระปฏิบัติเป็นสิ่งที่เหลือฟ้าเฟือเป็นสิ่งที่พุ่งเฟ้อเหื่อมลืมมือลื ม, ล ม, ลมตัวไปหมดนี่คือปฏิบัติจะขึ้นเขียงเหมือนหมูไม่ใช่ปฏิบัติจะสับจากฟันกิเลศให้แหลกแตกกระจายประจากหัวใจเลยครูบาอาจารย์องค์ใดที่เด้อ มาแนะนำส อ, สอนพวกเราจนได้เป็นคติตัวอย่างมาทุก ว, วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายไม่ทราบก็ได้เล่าให้ฟังเรื่อยมาดังที่เคยเล่านี่แหละเล่ามาเพื่ออะไรทําไมเพื่อเป็นคติคือเป็ น, ป, นปฏิททปทาที่กิเลสหมอบรากเป็นปฏิปทาที่กิเลสขยะขยั่งเป็นปฏิปทาที่กิเลสกลัวไม่ใช่เป็นปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะดังที่เราทั้งหลายปฏิบัต โดยสําคัญตนมาเคร่งประคาัดอยู่เวลานี้นี่แหละคือปฏิบัติที่พิเลรนหัวเราอยู่หลายองค์มากเข้ามากเข้ามันเลอะเะเทอะเทอเลวีวเลวี้ยวหลายๆจนร่องรอยที่พาําเนินมาจะไม่มีเหลือแล้วค่อยกลืนไปกลืนมากลืนไปกลืนไปกลืนไปองค์ไหนมาก็กลืนไปองค์ไหนมาก็เหยียบย่ำลงไป เกาเหยียบย่ำแบบหนึ่งไม่เหยียบย่ำแบบหนึ่งเหยียบย่ำกันอยู่เรื่อยๆหาทางศื้นไม่ได้ผู้แนะนำสั่งสอนก็หมดกำลังใจไปโดยลาดับํำดาพอผลปรากฏขึ้นมาแต่เรื่องดังที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้สอนก็คนทำไมจะไม่รู้เรื่องพิดถูกดีชั่ว ได้ผลได้ผลเสียถ้าจะมานอนจมแบบประมาทอยู่นี้ให้พากันไปนะยาอยู่ให้หนักวัดแล้ให้หนักใจเด่นด้านด้านเพ่นเพ่นพ่านผ่า น, นด้วยเยียยัวเยียทางจงกรมไม่มอหัวใจไม่มอมองตั้งแต่เรื่องกิเลสมันร้อยรั๊ดเอาจมูกไหนเอาจมูกไหน สอดแต่จมูกให้กิเลสน้อยลัลอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยทางกายและทางใจมีตั้งแต่สอดออกไปให้กิเลสมันร้อยัะน้อยละด้อยละอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี้อเหลือมาผลนิพพานของผู้ปฏิบัติทํากันแบบนี้แล้ยเือะถ้าไม่ต้องการเป็นควายให้กิเลส ร้อยจมูกก็สอนหมดแล้วอะไรก็สอนหมดแล้วทุกแย่ทุกมุมหมดภูมิในการสั่งสอนหมูเ่เวนไม่มีปิดบงังลี้ลับไม่ได้สอนด้วยความโอ้อวดแต่สอนด้วยความจริงสอนอย่างเปิดเผยทั้งเหตุก็สอนให้เต็มภูมิผลได้ปรากฏมากน้อยตามความงงของตนขนาดใดก็เปิดให้เต็มภูมิทําไมจึงไม่ถึงใจผู้มาฟังทั้งหลาย ยิ่งกว่ากิเลสที่มันฝังใจทุกวันนี้เดี๋ยวนี้มันถึงใจกับกิเลสไม่ได้ถึงใจกับธรรมไมไ่ถึงใจกับปรวาทของครูของอาจารย์พุทธังธรรมังสนางะฉ า, ามิศักแต่ว่าชื่อศัก์แต่ว่านามศักแต่ว่าลึกไม่ได้ถึงใจเหมือนกิเลสอาสวะทั้งหลายสนางคฉามิโดยอยู่โดยหลักธ ร, รรมชาติของหัวใจที่ติดแนบกับกิกเลสไม่ยอมฟื้นตัวไม่ยอมมีสติที่จะสลั ด, ดปัดมันนั้นเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถึงใจของนักปฏิบัติเรา เฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตาัดท่านต่างหลายชิดอย่างไรทุกวันนี้อะไรที่มันแสดงทำแล้วมันเด่นมันเด่นมันเด่นอะไรที่จะแสงดงกิเลสมันไม่ค่อยปรากฏแล้วมรรคผลิพานจะเกิดขึ้นเพราะการแสลงกิเลสหรือเพราะการแสดงทำเวลานี้มีแต่ความแสดงทำเป็นส่วนมากความแสงดงกิเลสไม่ค่อยมีมีแต่การ เหยียบย่ำทำลายทำหลงโดยไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกก็ไม่อาจทราบได้เลยมากกว่าที่จะเหยียบย่ำทำลายกิเลสลงด้วยการคุยปฏิบัติทุงตงําแหงมันลืมเนื้อลืมตัวเพราะไม่เคยลําบากลําบนเหมือนครูอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านพาดําเนินมาท่านกระเสือกกระสนดิ้นล้มดิ้นตาย กลัวจะไม่พ้นจากทุกข์ด้วยปฏิบัตาวิธีการต่างๆพยายามเต็มพัติดํำลังความสามารถเหล่านี้ได้นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังบอกไม่เคยปิดบังนี้ล้วทำชอบเกิดขึ้นในสถานที่อดอยากขาดแคลนแคลนแคนกันดานแต่กิเลสชอบเกิดในสถานที่เหลือเฟือที่ลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเหอเหิมนี่กิเลสเกิดจากอาการเหล่านี้ เราจะแก้กิเลสเราก็ต้องแก้อาการเหล่านี้ถ้าไม่แก้อาการเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะแบกหามกิเลสสั่งสมกิเลสเป็นรลางกิเลสขึ้นภายในกายวาจาใจของตนเองทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวจากในออกมาถึงข้างนอกล้วนแล้วแต่เป็นอาการที่น้อมรับน้อมรับกิเลสทั้งหมดการน้อมรับกิเลสกับการเข้าแบกหามของทุกก็เป็นอันเดียวกันมันเกี่ยวโยงถึงกันอยู่นี้แยกกันไม่ออก การยอมรับธรรมกับการสนัดปัดทิ้งกิเลสก็เช่นเดียวกันทมกับอระธเจ้าเป็นโมฆะเมื่อไรแล้วจึงจะมาชินชาจนกลายเป็นเรื่องหน้าด้านไปถ้าไม่ใช้กิเลสพาให้ด้าน เมื่อไรจะรู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติตัวน้สมาธิก็อยู่กับเราอยู่กับการฝึกฝนอบรมสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรท่านก็สอนท่านก็สอนไว้หมดในบรรดาวิธีที่จะให้เกิดสมาธิคือสมาถะทําได้แก่ความสงบภายในจิตใจเป็นภาคพื้นก่อนที่ปัญญาจะก้าออกเดินตามหลักธรรมที่ท่านเรียงไว้โดยลําดับลำดับนั่นงภาวนาก็ดีเดินยกงกรมก็ดีถ้าไม่มีสติ นั่งจนก้นมันแตกก็ตามถอะนะ ม, มันด้านก็ตามมันก็ไม่ผิดอะไรกับก้นลิงอ่ะแต่กิเลสจะไม่ถลอกปอกเปลือกสักนิดหนึ่งถ้าไม่มีสติหิดมันไปกี่ทวีปก็ไม่รู้ถ้ามีสติมันเคลื่อนไปไหนรู้รู้ความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา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 ไปโดยลำดับลำนาเลื่อยมาจนทั่งถึงบัดนี้ไม่เห็นผลดีอันนปดปรากฏขึ้นเป็นเครื่องสนองตอบแทนพอที่จะให้มีความเสียดายกับความคิดเหล่านี้เลยจะปล่อยความคิดเหล่านั้นเข้ามาสู่วงงานแห่งการปฏิบัติของตนในวงปัจจุบันกับคําภาวนาเท่านั้นทําไมมันทําไม่ได้นักปฏิบัติพระทูรงกรรมาฐานแทๆ้ๆนักปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่แนวรบแทๆ้ๆทำไมจึงยื่น ดาบด้ามดาบให้เขาฟันหัวเอามีเหรอมีมีแต่ยื่นแบบนั้นให้กิเลสฟันเอาฟันกําหนดทําบทใดก็ให้เป็นทําบทนะั้นให้มีความจริงจังต่องานของตนเฟื่อัดนิสัยให้จริงจังอย่าหล่อแหละคนไม่มีหลักใจย่อหาหลักทําไม่ได้หล่อแหละกับเหลวไหลไเป็นอันเดียวกัน สิ่นี้มีประจําหัวใจของโลกผู้สุครองทําควรจะแก้จะไขเพื่อความมีหลักมีเกณฑ์มีสัตว์มีเกียรติต่อตัวเองเราฝึกเราไม่น่าเราจะไปฝึกใครใครดีจะยิ่งกว่าเราดีพระพุทธเจ้าเลิศก่อนจึงสั่งสอนโลกชาวโลกทั้งหลายเลิศก่อนสอนโลกสอนได้ง่ายสอนได้สะดวกสบายสอนไม่อัดไม่อัน้นเพราะรู้แล้วค่อยสอน ไม่ใช่สอนแบบดนเดารู้แบบดนเดารู้จริงเห็นจริงสอนจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ตั้งใจสอนตนทําไมจะสอนไม่ได้อุบายวิธีการต่างๆครูอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนก็ไม่มีที่ผิดบางลี้ลับไม่มีที่น่าสงสยัยนอกจากการปฏิบัติของตัวเองมันไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เหงือ นั่งภาวนากี่ปีกี่เดือนมาแล้วผลปรากฏยังไงไม่สะดุดใจบ้างเหรอทําแม้สมาธิความสงบก็ไม่เกิดแล้วแสดงว่าเลวมากนักปฏิบัติเราการฝึกจิตเพื่อความสงบด้วยความตั้งใจนี่แน่ใจว่าจับผ่านความฝึกความทารทมารด้วยความมีสติด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันนี้ไม่ได้เลย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 ทพระพุทธเจาท่ า, าทนไม่ได้บอกให้ยื่นข้าดาบนึ่งใกิเลสนี่บอกให้ฟันกิเลสทั้งหาคนฟันกิเลสจะจับไปดาบฟันได้หรือก็ต้องจับด้ามฟันนั่งพูดมาสอนมาจนอกจะแตกแล้วมันยังไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไรเหมือนอยู่คนรัตวีป คำว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตตุดุพนก็ดีมันติดหัวใจอยู่เฉพาะกิเลสเท่านั้นธรรมะไม่มีทางที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยธรรมะไม่ใช่มิสัยของพระของผู้ปฏิบัติอย่างนั้นก็เป็นอีกคำนองหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นจิตเป็นพาชนะได้ทั้งกิเลสทั้งธรรมชัชจะทำอยู่ด้วยกันทกไม่ว่าทุกทางใจทุกทางกาย ก็อยู่ในการในใจอันนี้สมุทัยอยู่ที่ใจมีการมาตัญหาเพราะตัญหาวิบวับพิวะตัญหาเป็นต้นก็เกิดขึ้นที่ใจมักจะเกิดขึ้นทวีปไหนมักได้เก่อะไรท่านก็แสดงไว้แล้ว8ปดอาการสมาทิฐิสมาสังกโปคือปัญญานี่ยสมาสติ สัมมาสมาธิสัมมากัมมันตะการงานชอบคือการงานเช่นไลเดินจงกรมปล่อยใจให้ออกนอกทวีปนุน่นนั่งสมาธิก็ปล่อยใจให้ออกนอกทวีปนุนอย่างนั้นเป็นสัมมากัมมันตะได้อย่างไร การงานชอบนั่งสมาธิอย่างไรมันจึงชอบจึงเป็นไปเพื่อความสมงบจินใจก็นั่งแบบนั่นเลยนั่งแบบมีสติท่านนี่วาการงานชอบตั้งสติไว้ชอบนสมาชีวะพูดเรื่องอะไรก็เป็นอัดเป็นถรมเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นคติตัวอย่างแก่กันและกันเป็นเครื่องนื่นเหลืองไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อสั่งสมกิเลสหรือทำความกระตุกกระเทือนให้แก่ผู้ฟังทั้งหลาย นึกว่าสัมมาวาจาในหลักธรรมท่านกล่าวสัมมาวาจานี้ท่านกล่าวไว้ในสันเลกระธรรมนี่ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วนั่นแหละพระครั้งพุตธการท่านพูดกันท่านคุยกันคุยถึงเรื่องความมักน้อยความสันโดษความวิเวกสงัดสถานที่นั่นที่นี่วิเวกสังัดความไม่คุกมคีดติมงซึ่งกันและกันปีกตัว เป็นบุคคลผู้เดียวมีความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่กับตนศีลนะกนอมัตระวังรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันยิ่งกว่าชีวิตจิตใจสมาธิก็เอาหิงเอาจาังพูดถึงเรื่องสมาธิให้เป็นความรื่นเริงซึ่งกันและกันใครจิตมีความสงบตั้ง็นอย่างไรก็หาเล่าสู่กันฟังเป็นการสนทนากันเป็นกำลังใจ จากการได้ยินไว้ฟังจนกระทั่งสมาธิปัญญานี่พูดถึงเรื่องปัญญาใครรู้มากรู้น้อยใครมีความฉลาดแหลมคมในการต่อสู้กิเลสประเภทต่างๆได้มากน้อยเพียงไรก็เล่าสู่กันฟังจนถึงขั้นนิมตหลุดพ้นนี่สันเลขาธรรมพระข้างบูชาการท่านพูดท่านคุยกันอย่างนั้นท่านไม่ได้คุยถึงการบ้านการเมืองการได้การเสีย ความรื่นเึงมันเทิงการซื้อการขายอะไรต่างๆท่านไม่พูดเพราะนั้นเป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมมีแต่การแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายช้าล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกเวลาพูดก็พูดเพื่อความช้าล้างไม่ได้พูดเพื่อความสั่งสมนี่ก็เป็นสมาวาจาของท่านสัมมาชีโวอย่างหยาบอย่างละเอียด การบินธบตัตมาขบมาฉันเลี้ยงอัตภาพพอได้บำเพ็ญสมณธรรมนี่ก็เป็นอันหนึ่งสัมมาชีวคือหอเลี้ยงจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความภาคเพียรที่ชอบธรรมให้เป็นสมาธิขึ้นมามีรสชาติอันลึกซึ้งอันน่าอัศจรรย์สมัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะก็เพียนชอบท่านก็บอกไว้แล้วในประทานความเพียนสีก็บอกในสติประธานสีก็บอกสถานที่ทํางานซึ่งร่วนแล้วแต่เป็นความเพียนชอบเท่านั้นถ้าจิตและสติได้ตั้งในทำที่ก่าเหล่านี้เป็นความเพียนชอบด้วยกันสัมมาสติก็เหมือนกันก็ตั้งลงในองค์สติประธานสีอะไรที่เป็นความเหมาะสม กับเจริญปีจัยทังตนในขนาดนั้นในขณนะนั้นแล้วสมาสมาธิก็เป็นสมาธิชอบขึ้นมาเป็นความแน่นหนามั่นคงภายนจิตใจนี่ก็คือมัจไปอยู่ทงวีบไหนถ้ามาอยู่ในใจไม่ผิดขึ้นในใจได้พระพุทธเจ้าสอนลงนี้ทําไมไม่สอนว่าให้ผิดทวีปมุนโลกนู้นโลกนี้บอกลงในจุดเดียวจึงครบอริยสัจสี่มัจ นี่ที่กล่าวมาแล้วเรียกว่ามรรคมรรคาปฏิวัติเครื่องดำเนินเครื่องปราบปรามเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวภัยได้แก่สมุทัยซึ่งมีอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวกันนี้นะนี่โรดคือความดับทุกข์เพราะสมุทยัยหมอบราบหรือเรียบราบไปหมดแล้วทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจสมุทยัยผิดมันก็หมดไปเองท่านสองไงนไหมทําไมพวก เรานํำธรรมะเหล่านี้มาปฏิบัติยังไม่เป็นหยก ป, ปัญญาอะไรเลยไม่มีน้ําำยา่ากลายเป็นโมฆะไปหมดเหลือแต่ชื่อแต่นามกรรมาฐานมันเกิดประโยชน์อาไทกับชื่อกำนามจะตั้งให้เลยจะดวดดาวเทียมเลยอวกาศก็ตั้งได้ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจะของไม่ทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นประจักษ์กับใจของตนเองแล้วมันไม่มีอะไรดีทั้งนั้นน่ะไอ้ชื่อไอ้นามก็ตั้งไว้ตามสมมุตินิยมนี่กรรมาฐานกรรมาฐาน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 ผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาชำระนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบจึงไม่อยากจะสนใจก็ได้อธิบายให้ฟังหมดแล้วการพิจารณาคลี่คลายเรื่องธาตุเรื่องขันไอตนะาภายนอกภายในอุปชาท่านสอนเกษะสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจ น, นี่สิ่งที่เป็นเครื่องหลบซ่อน ของกิเลสมันหลบซ่องอยู่ตามผมผนเล็บฟันหนังนี่นะมันหลอกว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีลังท้าร้อนแล้วให้พิจารณาดูสิความเห็นของกิเลสกับความเห็นของธรรมความรู้ของธรรมมันต่างกันไหมนะท่านให้พิจารณาบวชที่แรกอุชาต้องสอนตั้งนั้นไม่สอนไม่ได้ เพราะเป็นธรรมจาเป็นเป็นงานที่จําเป็นสําหรับนักบวชท่านก็จึงสอนลงที่นี่เยซ่าลุมานาค่าอนตาตจทั้งอารมณ์ทั้งปฏิโลมตลกทบทวนหลายครั้งแลายขุนเพื่อให้เกิดความชนิดชำนาญจนอย่างทราบตามหลักความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ปล่อยวางลงตามเป็นจริงของมันและไม่ว่าจะเพียงห้าอาการนี้เท่านั้นหมดในร่างกายนี้มันก็เป็นสภาพอันเดียวกันเมื่อทราบ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 เมื่อได้เกิดความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องความละเอียดยิ่งกว่านี้ของกิเลสและของปัญญาอันจะเป็นขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุบุโปโภชไปหมดปัญญาก็เหมือนไฟได้เชื้อเชื้ออยู่ที่ไหนจะลุกลามไปเรื่อยๆปันดาที่เผากิเลสก็เหมือนกันกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญา คือไฟะระงัะเผาตับประทัมเผาไปเย็ะโดยลำดับลาดา จ, จนกระทั่งสุดท้ายละเอียดขนาดไหนที่ฝังอยู่ภายนจิตให้เป็นเชื้อพาให้เกิดแก่เจ็บตาอยู่มาอยู่ไม่ถอ ย, ก, ถอยก็ถูกเผาออกหมดไม่มีเหลือเมื่อกิเลสอาสวะประเภทต่างๆที่หุ้มห่ อ, อจิตใจได้ถูกปัญญาเป็นตับประพทับแผดเผาออกไปหมดแล้ว ก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจนะ่ี่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้ในขณะที่กิเลสพังลงจากพระจิตนั่นเองราษาวกปัญรูธรรมถึงขั้นอรหัตตาภูมิก็คือการทำลายกิเลสพังลงจากใจของขั้นทางนั้นด้วยปัญญาด้วยความเพียรทุก ป, ประเภท ปรากฏเป็นพุทธทางสนังกฉามนี้ของพวกเราปเป็นมาอย่างนี้ทำมังสนังกฉามนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีการของผู้ยิ่งให ญ, ญ่ที่ทรงบำเพ็ญดังที่กล่าวฮาั่นไม่งั้นธรรมเหล่านี้ก็ไม่เกิดสังฆัสงสนังกฉามนี้ที่เรากราบไหว้บูชาว่าเป็นพระสงฆ์สาวกก็คือท่านผู้ดําเนินตามแบบฉบับของผู้ยิ่งให ญ, ญที่ประทานไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นอย่ำจนกร้ทั่งกิเลสบันลายไปหมดเป็นสังฆังสนังกรามนี้เต็มดวงขึ้นมาแต่ละ องละอ ง, ะองะรวมแล้วก็เรียกว่าสังขังสนังกระฉามีของพวกเราท่านดาเดินในที่กล่าวมานี้เราจึงควรคาหนึ่งให้มากที่จะเป็นสนังกรฉามีของตนเองสนังกรฉามีพุทธังธรรมังสังขังสนังกรฉามีนั่นเยิดเป็นหลายแง่เยิดพระพุทธเจ้าเป็น หลักจิตหลักพึ่งเป็นพึ่งตายติดแนบสนิทกับพระพุทธเจ้าอันหนึ่งยึดปฏิปทาเครื่องดําเนินของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงมาดําเนินสําหรับตัวเองเพื่อเป็นสนะของตัวเองนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนี้สําคัญอยู่มากนั่นเป็นเครื่องยึดอันหนึ่งเป็นขั้นขั้นสร้างาชนะให้เต็มขึ้นภายในจิตใจของตัวเองด้วยพุทธทางฉนังกระฉามิก็โผล่ขึ้นที่นี่ เป็นพุทธะที่บริสุทธิ์เต็มดวงเช่นเดียวกับพุทธะของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ท่านทำรรมังสนังกฉามนี้ก็เป็นธรรมโปดิโปขึ้นในขณะเดียวกันสังขังสังกฉามนี้ก็คือตัวเราเองเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งทำทั้งหลายนะนี่เป็นสรตางคัขฉามิของเราแล้วทีนี้จากการอุยปฏิบัติและจากการน้อมพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์มาเป็นแบบเจ็เบบับเครื่องดาเนิจนจนกระทั่งถึงได้เห็น กระทั่งได้เห็นผลพระจักขึ้นภายในจิตใจของตนเป็นสซาลังขฉามิขึ้นโดยดักธรรมชาติที่นี่จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าไม่กล่าวถึงก็เป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วโดยชบุญภายในจิตใจนี่แหลพูดได้เห็นธรรมปุณนั้นเห็นอรตะถาโคเห็นกันที่ตรงนี้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามความจริงเป็นอันเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแม้แต่น้อยคำว่าทำไปยังไงก็รู้เอง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 ทุกสิ่งทุกอย่างได้พานาจิตใจตาหูจมูกดิ้นการไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์ทำแต่ใจสามารถสัมผัสสัมพันธ์ได้อวัยวะไม่ไม่สามารถจะทําตัวให้บริสุทธิ์ได้แต่ใจสามารถทําตัวให้บริสุทธิ์ได้าจากพิเศษตทั้งหลายซึ่งเคยบีบบังคับที่ยึ้หัวใจโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเนี่ยชนะหน้าที่แค่กินอยู่ที่ตรงนี้ และจะปรากฏขึ้นมาจากผู้ประปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าล้าสมัยถ้าไม่ใช่คนล้าสมัยพระล้าสมัยซะเองดูถูกเหยียยามศาสนาและทำลายตัวเองว่าศาสนาหมดเขดหมดสมัยหรือคืดหรือล้าสมัยคนนั้นคือคนคือคนล้าสมัยคนทำลายตัวเองพร้อมกับการทำลายศาสนาอันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นอยู่ด้วย เราเป็นคนประเภทไหนเป็นพระประเภทไหนเวลานี้เวลานี้ควรเวลานั้นไม่ควรนั่นแหละคือการทำลายตัวเองเอานี้นอนซะก่อนอยู่สบายซะก่อนเวลานั้นจึงเดินจงกรมเวลานี้จึงนั่งสมาธินี่อคือการทำลายตัวเองถูกกิเลสหลอกกิเลสมันมีการมีเวลาเมื่อไหร่มันบอกให้นั่งซะก่อนให้กิเลสได้พักผ่อนหน่อยกิเลสอยู่บนหัวคนเหนื่อจะตายแต่ไม่เห็นว่านี่ กิเลสอยู่บนหัวพระกรรมฐ า, านมันเหนื่อยจะตายแล้วเดีย๋ยวนี้ให้กิเลสได้พักผ่อนสักหน่อยมันเคยมีที่ไหนกิเลสพักผ่อนบนหัวใจผลมีที่ไหนไมิเยียบย่ำตลอดเวลาเราทำไมไม่คิดเวลาจะแก้กิเลสทำไมจิตต้องหาที่พักที่ผ่อนอันเป็นกลมายาของกิเลสซ้ำเข้าไปเรียนให้รู้เรียนให้จบมีสติทําปัญญาธรรมเป็นสาคัญศรัทธาวิริยะะ แต่นั้นเป็นเครื่องหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปความอดความทนหนุนเข้าไปสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันทันสมัยวาดต้อนมันเข้าไปกิเลสไมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจสางสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวแล้วพังทั้งนั้นแหละไม่ว่าครั้งพุตการไม่ว่าครั้งนี้เพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันธรรมะจิงไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนประเภทมาจากไหนเป็นศาสดาองค์ใหม่ขึ้นมาถึงจะ ท, ทันกิเลสธรรมะเหล่านี้พระองค์เคยปราบกิเลสราบมาแล้วและสอนสามวั นำไปปราบกิเลสราบมาหมดแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือทําเหล่านี้ไปได้ถ้าไม่ยื่นด้ามดาบให้มันเสียอย่างเดียวเท่านั้นขอให้นั่ไปคิดไหนักปฏิบัติมาอยู่นี้กี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรครูสอนแทบล้มแทบตายแล้วจะให้สอนอะไรกันอีกนั่งหนา มองไปไหนมันขัดสายตาฟังขัดหูอยู่ตลอดถ้ามันเป็นธรรมทาไมมันขัดก็เราสอนด้วยธรรมแต่แท้มองดูมูเพื่อนมองดูด้วยธรรมแต่แทะมูเพื่อนก็มาปฏิบัติธรรมแต่แทะทาไมมันจึงขวางทำไมมันจึงขัดถ้าไม่ใช่สิ่งที่ขัดที่ขวางมันมีอยู่ในนั้นญ้าพิษมันมีอยู่ในกิริยานั้นจะเป็นอะไรจะเป็นของวิเศววิโสมาจากไหนถ้าเป็นของวิเศววิโสมันแสดงมามันจะขัดทําไมก็เราหาสิ่งไม่ขัดอยู่แล้วนี่ทำไมมันขัดมันขัดอยู่ตลอด ผมยิ่งเหลียวไหลลงไปทุกวันทุกวันนะนักปฏิบัติจเรียนสวมรอยอยู่ทุกระยะมันก็ไม่รู้เพราะไม่มีสติจะดูอยากให้รู้ให้เห็นสอนแทบเป็นแทบตาย หนักขนาดไหนก็ทนเอาเพราะเห็นว่าหัวใจแต่ละดวงดวงมีคุณค่าแต่กลับไปปล่อยให้กิเลสเอาไปเหยียบย่ำทำลาย้งหมดมันก็เสียเจตนาของผู้อบรมแนะนำสอนทั้งตัวเองที่มุ่งมาเปื่อก็รทำก็ยังไม่รู้ว่าเสียตัวไปเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายเนื่องจากกลวิยากของกิเลสมันแหลมคมมากยิ่งกว่า ทำที่จะนำไปแก้ไปชำระมันเดินจงกลมอยู่มันก็สวมรอยเหยียบอยู่นั่นเราก็ไม่รู้ยิดทรงออกไปไหนไม่มีสตินั่นแหละคือมันลากไปแล้วเน่จะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งก็ตามนั่งภาวนายิดเผลอไปเมื่อไรก็แสดงว่ามันเอาไปแล้วเอาไปต้มไปถุนที่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้ถ้ากลับมาก็มาทวงเอาคะแนนกับทำมาเหยียบย่ทำทาลายทำ ตำหนิผี่เพี้ยนทำมานั่งมานานแสนนานไม่เห็นได้เรื่องราวอะไรก็ไม่นั่งเอาทำมันนั่งให้กิเลสกดคลอมต่างหากแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นของวิเศษวิโสก็มีตะกี้เลสแล้วมั น, นวิเศษไ้มล่ะขี่อยู่บนหัวคนเจ้าของยังวาดภาพภาพเอิญไปว่าเจ้าของให้นั่งภาวนาไม่ทราบว่าเป็นช้างให้กิเลดขึ้นบนตะพ อ, องเลยกิเลสขึ้นเหยียบบนหัวก็ไม่รู้ คำพูดทั้งหมดนี้ให้ท่านทั้งหลายจับเอาไว้นะภายในใจแล้วดาเนินไปมันจะผิดหมายที่พูดมีขอให้ฟิตสติปัญญาให้ดีเถอะเรื่องที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจากลางวานภายในหัวใจของท่านทั้งหลายเองแม้ผมตายไปแล้วกว็าตามจะไม่เป็นของลาสมัยจะไม่เป็นของหนุนนานอะไรเลยจะปรากฏขึ้นในปฏิวัติกิจที่ได้สัมผัสสะพานกับธรรมทั้งหลายกับกิเลสทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ไม่สงสัย พราะทำเป็นมัจฉิมาตลอดเวลากิเลสเองมันก็อยู่บนหัวใจคนตลอดมาจะว่าเป็นมัจฉิมาของมันก็ได้นี่มีการมีสมัยมาช้าว่าเด็วที่ไหนขอให้มันรู้ขึ้นตีใจเลยมันจะกังวาลขึ้นตรงนี้เองหลังที่เคยปู่เสมอว่าพระเจ้าปรินิพานกี่ปีกี่เดือนกี่ล้านปีก็ตามกี่ล้านองค์ก็ตามมันสําคัญอะไรกับตรงนั้นมันสําคัญอยู่ที่ความจริงที่กระเทือนถึงกันภายในหัวใจเรานี้เท่านั้นเมื่อความจริงได้กระเทือนในหัวใจแล้วก็เทือนไปหมดในบาปพระเจ้าทั้งหลายยอมรับหมดเลย อันอยู่นี่ต่างหากนี่ทํำกามปาคัมเพียนจะมาเป็นเพื่อบั่นผ่านตามสโลงสลาไม่มีจิตมีการงานอะไรให้เราอยากเห็นพระเดินจงกรมด้วยความมีสติเราอยากเห็นพระพของเรานั่งภาวนาเอาจริงเอาจังกับการฆ่ากิเลสตัวเสนียดจันไหนตัวแสบที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันหอบเป็นเหลา ที่มแทงหัวใจทั้งนั้นทําที่มแทงที่ไหนมีมากมีน้อยเป็นความทุ่มเย็นในภายณาจิตใจเั่นั้นทําไม่เคยเป็นค่าสุจดจั๊บอะไรกิเลสต่างหากเป็นค่าสุดทำไมเราทาไมเราจึงเห็นเป็นหอมเป็นหวานไปได้ถ้าไม่ถูกกล่อมให่จนมืดมิดปิดตาเท่านั้น น, นั่นละการพูดอย่างนี้รู้สึกเหน่อยขึ้นมานี